การบวชอันดับแรกก็คือพระผีเลี้ยงที่มอบหมายให้ฝึกซ้อมนากให้พิธีพิถันอย่าสักแต่ว่าทำไปไม่รับผิดชอบเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นพุทธศาสนาหมดมานานแล้วเพราะนั้นทางวาุทธบริษัทสี่ไม่ช่วยกันประคับประคองไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็ทำให้พระพุทธศาสนา มัวหมองอายุสั้นเขาทั้งที่จะถึงห้า0ันปีอาจจะไม่ถึงเพราะว่าพวกเราช่วยกันทำลายโดยเจตนาบังไม่เจตนาบังเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าการส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นทำยังไงหน้าที่ของพระคืคอทำอะไรอันดับแรกก็คือตัวของเราเองให้หนักแน่นในหลักธรรมวินยัยอันนี้ก็คือรักษาพระพุทธศาสนา อันดับที่สองก็คือผู้ที่มาเกี่ยวข้องเราควรจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรที่จะให้รู้จักกฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยนี่แหละอย่างหน้าเข้ามาอย่างเนี้ยเราก็ต้องทําให้ถูกพระธรรมวินัยก่อนที่จะบวชควรทําอย่างไรท่องเอสาหังให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องบวชเพราะว่าพูดไม่ได้ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้ก็บวชให้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น อันนั้นแปลว่าเหยียบย่ำทำลายโดยไม่เจตนาในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วเป็นต้นแบบต้นฉบับใครอยู่กลางถนนกระเรียกเขามาบวชพูดเอซาหังไม่ไดเ้เขาให้ว่าตามผมพูดขอไม่ได้อา้าวว่าตามผลในสุดบวชเขามาแล้วก็คนที่ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างเก่าเพราะใจของเขาไม่ได้บวช ก่อนที่จะบวชแล้บวชทั้งกายบวชทั้งวาจาบวชทางใจใจบวชซะก่อนอย่งสิ่งเหล่านั้นจึงบวชตามเข้ามาอันนี้ใจของเขาไม่ได้บวชพูดกับพูดไปเหมือนกับนกแก้วนกคุณทองความหมายในการบวชไม่รู้เพราะท่านบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมินัยทําให้ศาสนาแปรปวนไปพอสมควรจึงค้นหาต้นเหตุก็เพราะว่าพระบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ตั้งใจ บวชแต่สักว่าบวชวันนั้นพวกเราบวชในครั้งนี้เขขอให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงให้ใส่ใจตลอดถึงบริขารเครื่องใช้ต่างๆก็ให้อยู่ในกรอบหาให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นผ้าไม้เขามัดมาเห็นว่าครบแล้วก็จัดให้พอมาครีดดูดีๆแล้วนูน่น ไปคนละทิศละทางแสดงว่าพระพี่เลี่ยงใช่ไม่ได้นะพระพี่เลี้ยงต้องพิถีพิถันในการดูแลอัฐบริขารให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย อ, อย่าทําจากแปลว่าทำถ้าทำจากแปลว่าทํานั้นไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพระพี่เลี้ยงนะต้องช่วยดูให้ละเอียดละออพอสมควรอย่าให้มีปัญหาในการบวชผู้ที่บวชเหมือนกัน คิดจะบวชทั้งทีก็ให้ตั้งอกตั้งใจพยายามท่องให้ได้ให้ถูกอักระถูกตามกฎระเบียบตามพระวินัยที่ท่านวางเอาไว้ตามกฎระเบียบที่ครูบาอาจารย์ตั้นต้องการเพราะเราบวชไม่ใช่บวชเพื่อเราบวชเพื่อหลักเกณฑ์บวชเพื่อกดเกณฑ์บวชเพื่อหลักพระธรรมวินัยแต่เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ยินพระ อ, อุปชาท่านหนึ่งพูดขึ้นมา ทำให้ไม่สบายใจเหมือนกันท่านว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่รีบร้อนจะบวชทั้งทีกู ป, ป, ป, ป๊บลางานมาแล้วก็มาบวชคิดได้จะบวชก็บวชเลยพอบวชเข้ามาแล้วกันไม่อยู่ในกฎระเบียบอยากจะบวชอยากจะบวชเออพระเขาไม่รู้จะทำยังไงเอบพอผมจะได้ไปทำงานภายในสิบห้าวันผมลาได้เพียงสิห้าวันผมอยากจะบวชแต่สิบห้าวันน่ะมันจะท่องเอสหังได้ยังไง ถ้าคนไม่เคยบวชมาก่อนผลี่สุดก็คููบาอาจารย์ก็กลัวจะเสียการเสียงานเสียลูกศิษย์ลูกหาก็ว่าตามกฎว่าตามที่ศาสนาพุทธเจ้าปันปวนแต่ครั้งแรกนั่นะจับมกะกคเอสาหางังเอสาหังพันเตพันเตพอเข้ามากระบวดบวชเสร็จแล้วก็กลับไปดูถูกพระพุทธศาสนาอีกโอ้ยพระอยู่ในวัดไม่รู้อะไรกินแล้วก็นอนกินแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่มีอะไร เขาหารู้ไม่ว่าหลักของพุทธศาสนานั้นสอนอะไรจุดเดือนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรจุดที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักนั้นคืออะไรเขาไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษามาก่อนก็เลยมาดูถูกพระพุทธศาสนาโดยที่ความโง่งเง่าของเขาเองเขาเองนะั่นคือทํางานทั้งวันนั่นแหละคืองานคือหลักอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ศึกษา ทั้งที่เขาจะมาส่งเสริมพระพุทธศาสนากลับมาทําลายซะอีกเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนบวชมันต้องเข้าใจกันพอสมควรจุดยืนของพุทธศาสนานั้นคืออะไรผู้ที่จะเข้ามาบวชนั้นควรทําตัวอย่างไรแล้วควรจะศึกษาเรื่องกฎระเบียบของพระจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะที่บวชสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงต้องช่วยกันบอกกล่าว แนะนำสั่งสอนให้เป็นที่เข้าใจกันซะก่อนยังค่อยบวชไม่ใช่ว่าปุปปับเข้ามาแล้วก็เอสาหางกัดยังท่องไม่ได้พอบวชเข้ามาแล้วก็ศึกออกไปแล้วบวชอย่างนั้นได้อะไรอุปชาเขาบอกดีกว่าไม่บวชมันดีกว่าที่ตรงไหนตรงไหนที่มันดีกว่าถ้าไม่บวชจะไม่ดีเหรอมารักษาศีลในวัดเอามารักษาศีลอโบสถนะรักษาศีลแปดก็ได้รักษาศีลห้กาก็ได้ศึกษา มันจะไม่ได้มาเหยียบย่ําทําลายพระพุทธศาสนาแต่ถ้าทําอย่างนั้นแปลว่าทําลายกฎระเบียบที่ท่านวางเอาไว้ดีแล้วถ้าไม่พร้อมขยาบวชบวชทําไมเมื่อยังไม่พร้อมเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็จึงบวชบวชก็ด้วยความตั้งอกตั้งใจมันจึงถูกทำบวชไม่ตั้งใจแล้วก็เสียหายวงการพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยพูดขนาดเขาจะบวชฟักบวชแฟงบวชกล้วยน้ําว่า เขายังเตรียมฟืนเตรียมเตาเตรียมกะทิเตรียมน้ำตองน้ำตาลเตรียมกระทะตับพงทัพผีให้พร้อมเขาจึงบวชได้บวชพระทั้งองค์ไว้ในพระพุทธศาสนาบวชแบบลุกลี้ลุกลนบวชแบบไม่เอาฐานบวชแบบไม่รู้หลักการถ้าเป็นบวชกล้วยน้ําว้าคนนั้นพอเข้าไปกใส่เกลือลงไปมากๆใส่พริกลงไปมากๆมาลักษณะอย่างนั้นพราะไม่รู้หลักการว่าการบวชกล้วยนะย่าทำยังไง ทั้งที่จะใส่น้ําตาลใส่กะทิไปใส่เกลือใส่พริกเข้าไปใส่น้ําปลาเข้าไปกระปีเข้าไปมันลักษณะอย่างนั้นแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าว่าไม่รู้เรื่องบวชเข้ามาแล้วก็เสียหายจะมากกว่าทําลายจะมากกว่าจุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรตัวพระพุทธเจ้าเองไปบําเพ็ญอยู่ในป่าหกปีท่านทําอย่างไร ท่านถือจอบถือเสียมไปปลูกป่าใช่ไหมไปทําสวนใช่ไหมไปสอนคนใช่ไหมไปฝึกหัดวิชาความรู้ตํารวจทหารให้แก่ประชาชนในถิ่นนั้นใช่ไหมไปรักษาคนไข้ในถิ่นนั้นเป็นมดเป็นหมอใช่ไหมเป็นหมอเสกหมอดูหมอเป่าคาถาใช่ไหมเราศึกษาดูสิพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าที่บําเพ็ญอยู่ถึงหกปีท่านไปบําเพ็ญลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด เราไม่ว่าในการทดลองเราว่าผลอันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ตัดสู้ที่โคลนต้นโพวันสุดท้ายที่ตัดรู้นั้นท่านทําอย่างไรไอ้วันที่ลองผิดลองถูกตึ้งหกปีนะเราไม่ว่ามันมีหลายวิธีที่พระพุทธองค์ทดลองแต่วันตอนที่ได้สําเร็จวิชาที่จะต้องสําเร็จหรือว่าวันที่จะรู้แจ้งตัดกิเลสออกจากใจพระองค์นั้นพระองค์ทําอย่างไรแอบเราต้องสนใจจุดนี้ มากแต่วิธีการเบื้องต้นนั่นก็คือวิธีการทดลองเราไม่ผูดเพราะการทดลองนั้นมีหลายวิธีแต่ว่าการสําเร็จผลเนี่ยเราควรจะศึกษาอาจุดนี้เราไม่ต้องทดลองอีก เ, เพราะว่าท่านทดลองมาแล้วเอาตอนที่ท่านสําเร็จผลเนี่ยต้องการตอนสําเร็จผลเนี่ยเราต้องศึกษาจุดนี้ตอนที่จะสําเร็จผลเพราะพระเทพรั่าทำอย่างไรในวันเดือน6เพนเมื่อสองพันห้ารกว่าปี ในเย็นนั้นนายโสธิยะได้นำยาคามาถวายแปดกำมือยาคาที่เขาทำหลังคาบ้านที่เขามุงหลังคาบ้านบ้านมุงแฝกมุงคานะ่มุงจากเขาหาบมาเขาก็ถวา ย, วายท่านแปดกำมือจากนั้นพุทธองค์ก็เกลี่ยลงที่โคนต้นโกทำให้เป็นอาชนะที่นั่งต้นโกพวกเราก็้ y, แลวคงจะเป็นตะปุ่มตะปาเป็นลากนะพุทธองค์ก็วางยาคาที่โคนต้นโพ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทำกายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงหลับตาดำรงสติเฉพาะนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตอนหัวคำท่านก็พูดถึงเรื่องพยาบงพยามาณอันนั้นก็คือกิเลสภายในกาของพระองค์สุดแท้แต่ใครจะเปรียบเทียบบัตขันธมารกิเลสจำานเทวุบุตรมารอะไรมารที่มาลุกวนพระองค์ แต่สรุปแล้วก็คือมานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามารบกวนพระองค์จะเป็นมานประเภทไหนก็เถอะนะเออเขามารบกวนใจของพระองค์ทําให้ใจพระองค์ปันปวดผลที่สุดพระองค์ชนะมานพร้อมกับพยามมารกิเลสสมานทั้งหลายอตอนหัวค่ํามดจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะอุูเพในวาสารสติญาณ ล, ลึกชาติผนหลังได้ ถ้าพระพุธทธองค์งเกิดมาชาติเดียวเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวพระพุธทธองค์จะระ ล, ลึกชาติทอนหลังได้ยังไงเลือกลึกชาติทอนหลังได้ชาติที่แล้วชาติก่อนต่อไปเรื่อยๆหลายราย้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติที่พระพุธทธองค์ได้ตัดสรู้ได้ดูได้เห็นได้รู้ด้วยญาณทัศนะของพระองค์อันนี้เราปุเพนิวาสาน ร, รุสติญาณระลึกชาติทอนหลังได้จตูปปาติยานการจุติ การเกิดการตายของสัตว์พระพุทธองค์รู้ในวระเที่ยงคืนอาสาวัคยาญาณพระพุทธองค์ตัดกิเลสรคาคะโทสะโมหะไม่มาเกิดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเป็นอนันตการตัดกิเลสคือความรู้ภายในของพระองค์รู้เรื่องของเหตุมาจากไหนอย่างไรรู้ต้นต่อปล่อยวางลงที่เหตุพระธองค์ก็ได้ตัดสรู้ธรรม นี่แหละคือหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสร้ธรมตัดสรู้ที่ใจเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นนะออฉันจังหันเสร็จแล้วไปนั่งกาหนดดูใจของตนเองพวกท่านทั้งหลายที่เขามาบวชใหม่ก็ดีเป็นนาค ก, ก็ดีเป็นพระใหม่ก็ดีพวกท่านทั้งหลายถ้าจะสังเกตนั่นละ่ะ พวกท่านทั้งหลายจะรู้ได้ว่ากิเลสจมานั้นคืออะไรที่มาลบ ก, กวนท่านทั้งหลายแต่ก่อนพวกท่านทั้งหลายก็อยากจะมาบวชตั้งอกตั้งใจจะมาบวชดูในสถานที่สงบสงัดปีกหลีบตัวมาหาที่สงบสงัดแต่พอมาหาที่สงัดแล้วเป็นยังไงกิเลสภายในใจของพวกท่านทั้งหลายมันโผล่ออกมาเป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายได้สังเกตไหมหรือว่ามันทุบมันต่อยมันเตะจนพลิกความพลิกหงายล้องห่มล่องให้ กับความว้าวิ่อ้างว้างของตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมมีมากหรือเปล่านี่แหละให้พวกท่านทั้งหลายถามตัวพวกท่านพระพระพุทธเจ้าท่านรู้ที่โคนต้นโพเนี่ยท่านดูที่ใจของท่านท่านว้าวิ่ท่านอ้างว้างท่านคิดถึงเพราะบรมวงศสานวงศ์คิดถึงกลุลง บ, บิตรพระพุทธรชชายาราชบุตรของพระ อ, องค์เพราะพระ อ, องค์มีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างนั่นแหละกิเลสตีจิตใจของพระ อ, องค์ พระ อ, องค์ต้องสู้ด้วยอารมณ์อันนี้นแหละคือพยามารเข้ามากิเลสนางราคานางตันหานางอรดีที่เป็นพยามารส่งมาสู้กับพระ อ, องค์นั่นแหละกิเลสเหล่านี้แหละเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ให้สู้จุดนี้ให้ดูที่ใจดูที่ใจรู้เรื่องของใจกิเลสมันอยู่ที่ใจกิเลสมันเข้ามาชกตกต่อยตีเราที่ใจ เพะะนั้นพวกเราให้รู้นี่แหละคือสนามรบที่พระพุทธเจ้าให้รบกับกิเลสไม่ใช่อื่นไกลดูนะดูที่ใจเนี่ยนะ่ะเราไปนั่งดูกันแล้วกันให้ไป ศ, ศึกษาดูก็แล้วกันอย่าให้กิเลสเตะต่อยถีบเราจนหาที่หยุดที่ยับยั้งไม่ได้ยังไม่ร้วนเราจนลบที่ไหนเออยังหันหน้าออกไปข้างนอกเออว่าจะชู้กับใครแต่ที่ไหนนั่นมันตีกระห น, น่ำหัวใจของเราจนเละตุ่มเป๊ะพอแล้วตัวเองยังไม่ลว้วน เราจะไปตีเขาที่ตรงไหนก็ต้องขันเข้ามาดูที่ใจของเราสินี่แหละที่สู้สู้ที่ใจดูที่ใจสู้ที่ใจดูอารมณ์ของใจนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำที่อื่นนะจุดใหญ่คือเนี่ยถ้าชนะใจเสียอย่างชนะทั้งหมดไม่ใช่ว่าสิบทิศร้อยทิศพันทิศหมื่นทิศแสนทิศมาในทิศทางไหนชนะหมดถ้าชนะจุดนี้ได้แล้ว ถ้าแพ้จุดนี้ถึงจะชนะสิบทิศก็ชนะไปแต่ข้างหน้าท่าเองแต่หัวใจของเราราคะโทสะโมหานั้นถีบจิตเตะใจอยู่ตลอดเวล่ากลากงค่ำกลา ง, ง, งคืนหลับตื่นกิเลสมันขยําขยี้อยู่ตลอดเวลาเราจะมาเป็นผู้ชนะไม่ได้ชนะแต่ภายนอกก่นเองแต่ไม่ชนะใจตัวเองใเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านชนะนคือชนะกิเลสภายในใจของพระ อ, องค์พระหันทั้งหลายที่ท่านชนะ ชนะใจของพระองค์คือกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหลายไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่จิตใจของท่านได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาให้รู้จักเราจะรบกับใครที่ไหนอย่างไรนี่นแหละคือรบตรงนี้นะรบตรงที่หัวใจของเราความนึกคิดของเรานี่แหละสนามรบของนักรบนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้รบที่อื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวช ในครั้งนี้เรียกว่าเป็นพระที่เขามาบวชแล้วเป็นพระใหม่พระเก่าอะไรก็เถอะถ้าไม่รู้จักที่ลบกันนะันะกิเลสขย่อมขยี้หัวใจดูโหงตัวเองอยู่ตลอดเวลานนะถ้าหาว่ารู้จักวิธีลบแล้วก็ น, นี่แหละจุดนี้แหละคือจุดสนามรบที่จะต่อสู้กับกิเลสจะแพ้จะชนะรู้ได้ถ้าว่ามีทำมาวุธมากมาสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้ ถ้าว่ากิเลสมันมีพลพักมากกองพลมันมามากทำของเราน้อยกันนั่นแหละแล้วก็ถ่ายแพ้โดยปริยายหรือถ่ายแพ้แบบปลดปลุยแบบไม่มีท่ามีทางเพราะงั้นแพ้พวกรูปแบบเพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาบวชทั้งทีให้รู้จักนะดูใจของตนเองดูใจของเราวันนี้เราคิดเรื่องอะไรอารมณ์อะไรที่มากระทบใจของเราในวันนี้อารมณ์รักอารมณ์หลง อารมณ์อะไรอารมณ์หน้าที่การงานเราเคยสนุกสุขสบายเราเคยความสุขอย่างนั้นใช่ไหมมันมาเหยียบยำ่ำเราต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ต้องการอย่างนี้ใช่ไหมมาอยู่อย่างนี้ว่าเวอ้างว่างใช่ไหมแต่แตะก่อนเรามาจึงคิดว่าเราอยากจะอยู่ในสถานที่สงบแต่มาบัดนี้ทําไมเราจึงเป็นอย่างนี้นี่แหละให้ดูที่ใจถ้าเอาหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นอะไรเป็นกษัต ร, ริย์เราเป็นอะไรเราเป็นกษัต ร, ริย์ใช่ไหม กษัตริย์อะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ทั้งหกปีท่านมีพร้อมทุกอย่างแล้วท่านทำยังไงแล้วเรามีอะไรบ้างที่จะเปรียบเทียบกับกษัตริย์ของพระพุทธเจ้าศรีตรถะสมัยนั้นมันเทียบกันไม่ติดเทียบกันไม่ได้แต่พวกกิเลสในหัวใจนั้นนั่นแหละไม่แพ้ใครใครไม่แพ้กันบา ง, งันทำไม่ได้ชําระแต่ถ้าว่าชําระกิเลส ดูกิเลสภายในใจของตนเองแล้วเราจะรู้ด้วยตนเองว่าจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ ว, าว้าเวีอ้างว้างเงียบเงาซึมเศร้ายังไงเนี่ยจิตใจของเราซึมเศร้ายังไงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเรามีหลักธรรมะเข้ามาจับนะแต่ถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาจับอะก็อย่างวา น, นนะมันเตะมันต่อยมันถีบยังไงเราก็ไม่รู้นะเียวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวสาหรับ เป็นแนวความคิดของผู้ที่จะบวชมันอาจจะมีกิเลสเข้ามาเตะอย่างนั้นก็ได้นะหลวงพ่อเตือนเอาไว้อย่าให้มันกิเลสอย่างนั้นเข้ามาเราต้องเอาชนะกิเลสให้ได้เานะ้าพอในที น, นี้นะโมตนาให้พอยะถาวาริวา